ความในจริยาปิฎกนะต่อจากครั้งที่แล้วมาขึ้นจันทกุมารจริยาจริยาวัดของพระจันทกุมารอันนี้ก็เป็นอีกชาติหนึ่งเนี่ยนะที่เป็นคุณธรรมเครื่องบ่มโพธิญาณเป็นคุณธรรมที่เป็นเครื่องบ่มการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงตรัสเล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าอีกเรื่องหนึ่ง หรืออีกชาติหนึ่งนในการเมื่อเราเป็นโอรสของพระเจ้าเอกราชมีนามว่าจันท ก, กุมารอยู่ใน พ, นพระนครปบพาวดีในการนั้นเราพ้นจากการบูชายันแล้วออกไปจากที่บวงสรวงนั้นยังความสังเวชให้เกิดขึ้นแล้วยังมหาทานให้เป็นไปเราไม่ให้ทานแก่ทักษินายบุคคลแล้วย่อมไม่ดื่มน้ำ ไม่เคี้ยวของเคี้ยวและไม่บริโภคโภชนะห้าหกราตรีบ้างแสดงว่าสังเวจใจในสังสารวัตอย่างแรงกล้าตั้งความปรารถนาไว้เลยว่าถ้าหากว่าไม่ได้ให้ก่อนจะไม่ทานจะยอมอดไปงั้นเปรียบเหมือนพ่อค้ารวบรวมสินค้าไว้แล้วในที่ใดที่จะมีลาบมากคือที่จะได้กำไรมากก็นำสินค้าไปในที่นั้นฉันใด แม้อาหารของตนที่เราให้แล้วแก่คนอื่นมีกำลังมากมายในที่มีกำลังมากมายฉันนั้นสิ่งของที่เราให้แก่ผู้อื่นมีกำลังมากกว่าสิ่งของที่ตนใช้เองฉันนั้นเรีย ก, กว่าให้ของดีกว่าใช้เองเพราะฉะนั้นทานที่เราให้แก่ผู้อื่นจักเป็นส่วนร้อยเรารู้อำนาจประโยชน์นี้จึงให้ทานในพบน้อยพบใหญ่เราไม่ถอยกลับ ไม่ท้อถอยจากการให้ทานเพื่อบรรุสัมโพธิญาณเชนนี้แหละก็เป็นการให้ถ้าสังเกตดูให้ทานคือให้อะไรก็ให้วัตถุทานเบื้องหลังของวัตถุทานก็คือมหาภูตรูปเป็นการแจกจ่ายมหาภูตรูปไม่มีที่สิ้นสุดยินดีที่จะแจกยินดีที่จะจ่ายยินดีที่จะให้ยินดีที่จะให้ผู้อื่นได้ประสบมหาภูตรูปที่ดี การให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเพื่อโพธิญาณโพธิญาณอันนี้เป็นธรรมที่คลายกำหนดจากมหาภูตา ร, รูปการให้ทานอย่างนี้นะที่พระองค์ตรัสว่าพระองค์เนตแสวงหาอะไรเป็นอัสาธาอาทีนวะนิสรณะแห่งมหาภูตา ร, รูปเพราะฉะนั้นอันหนึ่งที่พระองค์เกี่ยวข้องกับมหาภูตา ร, รูปก็คือการแจกจ่ายมหาภูตา ร, รูปผู้ที่มีอัธยาศัยในวิวัตะหรือที่เรียกว่ามีอัธยาศัยแห่งพระนิพพาน จะยินดีในการแจกจ่ายมหาภูตรูปไม่มีที่สิ้นสุดการให้ทานก็คือการจ่ายมหาภูตรูปการแจกมหาภูตรูปทัานผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดในมหาภูตรูปจึงเป็นผู้ที่มีการให้ให้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าในที่สุดก็ต้องสละอย่างทาวรเคยเห็นบ้างไหมมหาภูตรูปไหนที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวทุกโธมนัตและอุปายาต สิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ให้ไปสิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งความโศกเศร้าเสียใจแก่เราไหมแล้วก็นำมาซึ่งความเสียใจอีกนั่นแหลว <c oughs> เรื่องราวของพระจันท ก, กุมารเนี่ยในอดีตที่พระองค์ได้ประพฤติในอัตกถาเล่าตามชาดกว่าในอดีตการกรุงพาราณสีนี่มีชื่อว่าปุพรวดีเมืองเมืองเดียวนี่แหละเปลี่ยนชื่อไปได้หลายอย่างด้วยกัน ณเมืองปุปพวดีนั้นโอรสของพระราชาสวัสดีพระนามว่าเอกราชครองราชสมบัติพระโพธิสัตว์ได้ถือปฏิสนธิในพระคันของพระอัครมเหสีของพระเจ้าเอกราชนั้นมีพระน า, วะามว่าโคตมีคือชาตินี้พระโพธิสัตว์มีแม่ชื่อว่าโคตมีพระชนกพระชนนีขนานนามว่าพระจันท ก, กุมาร เมื่อพระจันทกุมารเนี่ยทรงดําเนินได้ก็เกิดพระโอรสอื่นอีกพระนามว่าสุริยากุมารเมื่อสุริยากุมารทรงดำเนินได้ก็เกิดพระธิดาองค์หนึ่งนามว่าเสลาแสดงว่าทุกสองปีจะต้องมีลูกหนึ่งหลูกกันนะก็มีลูกอยู่สาสท่านด้วยกันพระโอรสและพระธิดาเหล่านั้นได้มีพระอัมพาดาต่างพระมารดากันอีกสองพระองค์คือพัทธเสนและสุระ แสดงว่าพระราชาเอกราชพระองค์นี้มีหลายมเหสีว่า ง, งันพระโพธิสัตว์เจริญวัยขึ้นโดยลําดับพระโพธิสัตว์เราชื่อว่าจันทกุมารเนี่ยนะเสร็จแล้วได้สําเร็จศิลปะศาสตร์และวิชาการปกครองพระราชบิดาก็ได้อภิเสกสมรสพระราชธิดาจันทาแก่พระโพธิสัตว์เสร็จแล้วก็แต่งตั้งพระโพธิสัตว์ไว้ในตําแหน่งอุปราชพระโพธิสัตว์นั้นที่อภิเสกสมรสกับ พระนางจันทาก็มีพระโอรสหนึ่งองค์ชื่อว่าวาสุระบ้านเมืองนี้ก็ต้องมีปุโรหิตใช่ไหมมีผู้สอนอัดสอนทาให้แก่พระราชาพอดีได้อาจารย์โหดขึ้นมาพระราชามีปุโรหิตที่ไม่ดีชื่อว่าจันดะหาละน่นะพระรองค์ก็แต่งตั้งให้หนาปุโรหิตกันหะกันดะหาละนี่เป็นผู้ตัดสินคดี กันดาหาระนี่เป็นคนเห็นแก่สินบนได้สินบนแล้วก็ตัดสินผู้ที่ไม่เป็นเจ้าของให้ให้เป็นเจ้าของผู้ที่เป็นเจ้าของให้ไม่เป็นเจ้าของอยู่ที่ว่าถ้าใครส่งสวยมากคนนั้นชนะเนี่ยคือคดีใดก็ตามเนี่ยนะถ้าใครยัดสินบนแพงคนนั้นชนะไปก็คือเป็นผับอ่เป็น ผูตัดสินที่เรียกว่าเห็นแก่เงินแก่ทองอย่างเดียวเห็นแก่ทรัพย์สินอย่างเดียวนี่ตัดสินอยู่อย่างนี้เป็นอาจินเนี่ยนะเป็นชีวิตนั้นก็ได้ร่ํารวยจากสินบนเหล่านี้มากมายอยู่มาวันหนึ่งบุรุษผู้หนึ่งเนี่ยถูกตัดสินคดีให้แพ้จึงร้องด่าว่าปุโรหิตเขเรียกว่าถูกด่าใหญ่เลยนะในโรงวินิจฉัยคดีทศสมัยนี้ถูกฟ้องต่อยตั้งหากันะไม่ก่อนแสดงว่าไม่ถูกฟ้องครั้นแล้วก็เดินออกมาจาก ออกมาเห็นพระโพธิสัตว์คือพระราชโอรสจันท ก, กุมารนะกําลังเสด็จเข้ามาเฝ้าพระราชบิดาก็มอบลงแท้พระบาทของพระโพธิสัตว์แล้วสะเอิญร้องให้ทูลความว่าข้าแต่พระองค์คันดาหาระปุโรหิตนี่กินสินบนในโรงในศาลแม้ข้าพระองค์ก็ถูกเขาเนี่ยรับสินบนยังตัดสินให้แพ้อีกหมายคขาว่าก็ส่งสวยแล้วแต่ว่าส่งสวยแพ้น้อยกว่าทางโน้นก็เลยผิดเนี่ย ตอนนี้จริงๆก็ถูกอยู่นะก็อยากจะชนะคดีก็ยังใส่สินบนไปแล้วทางโน้นเขาสินบนมากกว่าแพ้เลยเหมือนนเสียอกเสียใจมา ก, กนะถ้าไม่ได้ส่งสวยไปก็ค่อยยังชั่วนะสวยก็ให้แล้วแต่แพ้อีกเนี่ยพระพพธิสัตว์ก็เลยปลอบบุตรนั้นว่าอย่า ก, กลัวไปเลยแล้วก็ส่งนําไปในโรงวินิจฉัยทรงตัดสินผู้ที่เป็นเจ้าของให้เป็นเจ้าของมหาชนก็พากันซ้องสาธุการสาธุเนี่ยนะ ดีแล้วมีผู้วินิจฉัยไปตามธรรมพระราชาก็สดับข่าวคือข่าวว่าพระโพธิสัตว์วินิจฉัยคดีโดยยุติธรรมจึงตรัสเรียกพระโพธิสัตว์มาแล้วพระราชาทานการวินิจฉัยให้แก่พระโพธิสัตวาว่าตั้งแต่นี้ไปเจ้าผู้เดียวจงวินิจฉัยคดีทั่วไปก็แต่งตั้งให้ตำแหน่งใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกตำแหน่งหนึ่งคือตำแหน่งวินิจฉัยคดี ปกตินี้กิจอันนี้เป็นกิจของพระราชาพระราชาเห็นว่าผู้ใดมีความสามารถก็ยกให้เพราะนโปโรหิตนี้ก็รับวินิจฉัยคดีวินิจฉัยคดีผิดพลาดหลายคดีนี่นะพระพูทธศาสนาก็เลยเป็นผู้ที่ตัดสินคดีแทนเพราะฉะนั้นผลประโยชน์ของการขันด่าหาละก็ขาดลงนะเหมือนกับว่ารายได้เนี่ยขาดตั้งแต่นั้นมา คันดาหาละปุโรหิตก็ผูกอาคาตในพระโพธิสัตว์คอยหาโอกาสจับผิดเรื่อยมาส่วนพระเจ้าเอกราชนั้นปกติแล้วก็มีสติปัญญาอ่อนคือฉลาดน้อยนะแล้วก็เชื่อคนง่ายใครอธิบายดีฟังดูมีเหตุผลก็รับฟังหมดเชื่อไปหมดนี่อยู่มาวันหนึ่งพระราชาฝันว่าได้เห็นเทวโลกที่จริงนะถ้าแกฝันเห็นนรกไม่อาจจะไม่เสียหายขนาดนี้นะ ฝันเห็นสวรรค์ก็เลยสาเหตุแห่งความชั่วร้ายก็งั้นไงพอฝันเห็นเทวดาเขา้าฝันเห็นเทวโลกประสงค์จะเสด็จไปนะเทวโลกจะเกิดเป็นเทวดาก็เลยไปตัดกับปุโรหิตว่าขอท่านจงบอกทางไปพรหมโลกปุโรหิตก็ทูลว่าขอดีชะมันงั้นหาโอกาสมานานแล้วในใจนะคิดหาโอกาสนี้มานานแล้วมั้นขอพระองค์ทรงให้ทานบูชายัญด้วยสิ่งมีชีวิตอย่างละสีอย่างละสี แล้วก็ตรัสถามว่าทานอันยิ่งนี่มันคืออะไรประมาณนั้นอภิธานหรือว่าทานอันยิ่งอะไรนะทานอันยิ่งจึงจะได้ไปเกิดในสวรรค์ประมาณั้นทูลว่าการบริจักสัตว์สองเท้าสัตว์4เท้าเพื่อบูชายันทําให้เป็นอย่างละสีอย่างละสี่เช่นโอรกสก็ีองค์พระธิดาสี่องค์อัครมเหสีสีองค์เศรษฐีสี่ช้างมงคลสี่ม้ามงคลสี่แล้วก็ต้องเอาเลือดในลําคอของสัตว์เหล่านั้นบูชาอย่างนี้แหละเรียกว่าทานอันยิ่ง พระราชาก็หนยินยอมเออใช้ได้นี่มาขอทางสวรรค์ไพร่ไปบอกทางนรกนะก็เรียกว่าถามคนผิดนะนะเเป็นอย่างนี้เลยพระราชาก็เชื่อใน เ, ออเชื่อปุโรหิตนะนะว่าปุโรหิตนี้เป็นบัณฑิตพระองค์ก็มีพระประสงค์จะปฏิบัติตามพระองค์เข้าใจมีความเชื่อว่าวิธีที่กันดะหาละปุโรหิตบอกนะนะั้นเป็นทางสวรรค์ เชื่อสนิทใจเลยว่าเป็นทางสวรรค์ทั้งๆ ท, ที่เป็นประตูนรกชัดๆเลยนะแต่เข้าใจผิด ร, รับสั่งให้ขุดหลุมบูชายันะขุดหลุมใหญ่มีพระบัญชาสั่งมาว่าพวกท่านจงนำสัต 2, ว์สองเท้าสัตว์สเท้าทั้งหมดตามที่พรหิตสัง่งมีอะไรบ้างพระรา ช, ชกุมารสี่องค์เอาพระโพธิสัตว์เป็นประธานานะนะแล้วก็ สิ่งของเครื่องปูชายันก็สั่งอย่างที่สั่งการมาทั้งหมดนะนะมีอะไรบ้างพระโอรสสี่องค์พระธิดาสีองค์อัครมหาหีสีสีเศรษฐีสี่ช้างมงคลมา้ามงคลอย่างละสีเตรียมมาให้หมดอย่งนั้นมหาชนได้ฟังอย่างนั้นก็ระเบงเซ็แงแซ่วุ่นวายกันยกใหญ่พระราชาก็ร้อนพระไทยถูกปุโรหิตชกักจูงให้บัญชาอย่างนั้นอีกนั่นแลเสียงเอะโวยวายร้องโ อ, โ อ, โ อ, โ อ, โอ้ใจอ่อนหมดเลยนะใจอ่อน ก็ไปหาอาจารย์ปโปรหิตนี่ถือว่าตำแหน่งอาจารย์ไปปรึกษาอาจารย์เข้าอาจารย์ก็บอกโอ้ยแค่นี้พระองค์จะไปสวรรค์ได้ยังไงจิตใจอ่อนแอขนาดนี้คนจะไปสวรรค์นะใจแข็งกว่านี้เยอะเนี่ยนะอืมเราใจอ่อนไม่ได้ไปสวรรค์แน่สร้างมันต่อไปเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ก็ทราบว่าปุโรหิตนี่ไม่ได้ทําหน้าที่ตัดสินคดีผูกอาฆาตในเราปราถนาจะให้เราเนี่ยตายจะทําให้เราถึงความพินาศล่มจม ขณะเดียวกันก็ยังทําความพินาศให้แก่หมู่มหาชนอีกแม้พยายามเพื่อจะให้พระราชาสํานึกผิดด้วยอุบายหลายอย่างแต่พระราชาเข้าใจผิดเสร็จแล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับพระไทยได้กลับใจไม่ได้หรอกเนี่ยนะเพราะว่าเชื่อแล้วเชื่อสนิทใจเลยนะมิจฉาทิฐิเกิดขึ้นในใจเชื่อทางนรกว่าเป็นทางสวรรค์เส็จแล้วเนี่ยนะผู้ใดจะไปบอกอย่างอื่นทําไม่ได้ มหาชนก็ร้องให้อยู่ซแซงแท่พระโพธิสัตว์ทรงสา ม, มารถมากเออพระเจพระโพธิสัตว์ก็สงสารการุณาจับจิตใจนะแต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงมหาชนก็ร้องให้ซแซงแท้อยู่นั่นแหละพิธีกรรมทั้งหมดในหลุมบูชายันก็สําเร็จลงร้องระงมอยู่นั่นแหละพวกราชบุรุษนําพระราชโอรสเข้าไปแล้วก็นั่งก้มคอลง กระก้มคอเตรียมจะฟันเต็มที่เลยนะปุโรหิตก็นําถาดทองคําเข้าไปถือดาบยืนอยู่ว่าจากตัดพระศรของพระโพธิสัตว์หัวแรกที่จะต้องตัดคือพระโพธิสัตว์นัะนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเรื่องนี้จะตัดหอคอคนเดียวนะแต่ว่ามันไม่สมเหตุผลนะนะก็ต้องเอามาให้มันสมเหตุสมผลหน่อยเรียกว่าหาช่องมานานคนชั่วนี่ก็เป็นอย่างนี้แหละหาโอกาสหาช่องที่จะทําความชั่ว คนทําดีเนี่ยนะคิดหาช่องว่าจะทําดีได้อย่างไรคนชั่วก็เหมือนกันหาช่องว่าจะทําชั่วได้อย่างไรนี่ก็ได้โอกาสมานี่ก็เตรียมที่จะประหารพระนางจันทาเทวีมเหสีของพระโพธิสัตว์เห็นอย่างนั้นก็คิดว่าบัดนี้เราไม่มีที่พึ่งอื่นแล้วจักทาความสวัสดีแก่พระสวามี ด้วยกําลังสัจจะของตน น, นะนะก็มีแต่วาจาสัตว์นี่แหละพอที่จะเป็นที่พึ่งแก่ตัวได้เป็นที่พึ่งของสา ม, มีได้ก็ประคองอัญเชลียกมือไหว้ดําเนินไปในระหว่างประชุมชนกระทําสัตตยาธิ่ฐานเรียกว่า ท, ทําสัจจะอธิษฐานว่าทางสวรรค์ที่ปุโรหิตบอกนี้เป็นกรรมชั่วโดยส่วนเดียวด้วยคําสัตว์ของข้าพเจ้านี้ขอความสวัสดีจงมีแก่พระสวามีของข้าพเจ้าเถิด เชื่อสนิทใจนะนางนี้เชื่อสนิทใจว่าทางของปุโรหิตนี่มันทางนรกชัดๆทางแห่งความชั่วระะนันด้วยสัจจะวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่พระสวามีเธดนางจันทาเทวีก็ตั้งสัจจะที่ฐานต่อไปอีกว่าขอถวยเทพทั้งหลายทั้งมวลบรรดาที่มีอยู่ในโลกนี้จงมาเป็นที่พึ่งขอจงปกป้องข้าพเจ้าผู้ไร้ที่พึ่ง ขอให้ข้าพเจ้าได้อยู่กับสามีด้วยความสวัสดีเถิดนี่นก็เป็นการเจริญเมตตาตั้งสัจจะอธิษฐานเป็นต้นเทา้าสกเทวราชได้ทรงสะดับเสียงร่ำให้ของพนางจันทาเทวีนั้นพระองค์ก็ทราบเรื่องทั้งหมดช่วยเอาค้อนเหล็กมีไฟลุกโพร่งเนี่ยนะให้พระราชาเนี่ยววาดสะดุง้งแล้วก็มีเทวะองค์การให้ปลดปล่อย ผู้ที่จะถูกฆ่าเพื่อบูชายันทั้งหมดเท้าสักกะก็แสดงรูปทิพย์ของพระองค์ครั้งนั้นพระองค์ก็กวัดแกว่งพระขันเพชรรุ่งโรดสว่างสวัยประทับยืนอยู่บนอากาศพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนพระราชาผู้ใจบาปใจร้ายลา ม, มกก็คือบาปนะพระราชาผู้บาปใจร้ายกาลกณนีใจเกีวยวใจโหดเหี้ยมอมหิทชั่วร้ายมาก การไปสวรรค์ด้วยการทำปาณาติบาตท่านเคยเห็นมาเมื่อไรเคยเห็นไหมนะว่าค่ามากมากแล้วจะไปสวรรค์เหมือนท่านจงปล่อยจันทกุมารและชนทั้งหมดเหล่านี้จากเครื่องผูกมัดหากท่านไม่ปล่อยเราจะพาศาีรษะของท่านและของพรามชั่วเดี๋ยวนี้ตรงนี้ทีเดียวถ้าไม่ปล่อยเราจะพาหัวเป็นสองซีกเลยเหมือน พระราชาและพราหมณ์เห็นความอัศจรรย์ดังนั้นก็รีบปล่อยสัตว์ทั้งหมดจากเครื่องผูกครั้งนั้นมหาชนก็ต่างเอื้กกระโกลาหนรีบถมลุมรีบถมหลุมบูชายันเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเกิดเปลี่ยนใจขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นรีบถมซะให้มันหมดนะแล้วก็ถือเอาก้อนดินคนละก้อนปากปุโรหิตจนถึงเกิความตายคนละก้อนคนละก้อนร้อยก้อนเข้าไปเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะยิ่งถูกปืนอีกเหมืนตายแล้วก็เตรียมวางแผนที่ เตรียมลุกฮือจะฆ่าพระราชาต่อไปพระโพธิสัตว์ตรงเข้าไปสวมกอดพระราชบิดาไว้ก่อนไม่ให้ถูกฆ่าก็รู้ว่าก็ไปกอดพ่อไว้ก่อนเนี่ยนะมหาชนก็พากันกล่าวด้วยความแค้นว่าเราจะไว้ชีวิตพระราชาผู้ลามกชั่วชา้าแต่ว่าจะไม่ให้สเสวตฉัตดไม่ให้อยู่ในพระนครจะให้ไปอยู่ภายนอกพระนครแล้วก็ช่วยกันปลดเปลื้องเครื่องยศของพระราชาออก ให้นุ่งผ้าย้อมน้ำฝาดเอาผ้าเก่าๆมาย้อมขมิ้นโภกศรีรษะทำให้เป็นเช่นกับคนจันทานแล้วก็ส่งไปอยู่หมู่บ้านคนจันทาเนี่ยนะปลดจากพระราชาเนี่ยตกไปอยู่เป็นจันทานทันทีเลยนะเนี่ยเพราะมิจฉาพิธิเป็นปัจจัยทำความชั่วบาปก็ให้พ้นเป็นทิฏฐธรรมเนี่ยนะก็เลยเดือดร้อนอันหนึ่งชนเหล่าใดบูชายันด้วยการฆ่าสัตว์เองก็ดี ใช้ให้ผู้อื่นบูชายันก็ดีพลอยินดีก็ดีชนเหล่านั้นทั้งหมดต้องตกนรกสามอย่างเลยนะหนึ่งฆ่าเองเพื่อบูชายันหรือใช้ให้ผู้อื่นฆ่าเพื่อบูชายัญอันหนึ่งชนเหล่าใดบูชายันด้วยการฆ่าสัตว์เองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นบูชายันก็ดีคือใช้ให้ผู้อื่นฆ่าเพื่อบูชายันหรือพลอยินดีก็ดีชนเหล่านั้นทั้งหมดจะต้องตกนรก ค่าเองเนี่ยสมัยใหม่ไม่ใช่น้อยค่าสัตว์เพื่อเส้นนะบางทีเนี่ยบางชนบทบางแห่งเวลาจะลงทำนาเนี่ยนะจะต้องค่าสัตว์เพื่อเส้นนาก่อนหรือว่าบางทีก็ใช้ให้ผู้อื่นค่าเพื่อเส้นสวงบางกลุ่มก็คอยยินดีกับเขาพลอยยินดีไปกับเขาดีใจไปกับเขาที่เขาก็ทําก็แล้วแต่บางพวกก็ใช้แพะบางพวกก็ใช้โคใช้หมูก็สุดแท้แต่ว่าจะใช้อะไร เนธใช้คนเลยนะฆ่าคนเพื่อบูชายันใช้ผู้อื่นฆ่าอนุโมทนาพลอยยินดีกับที่เขาฆ่าเจตนาเหล่านั้นที่ชนเหล่านั้นคิดอย่างนั้นเนี่ยเป็นเหตุให้ตกนรกพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนทั้งปวงตกนรกเพราะทําความชั่วคนที่ได้ไปสวรรค์ก็เพราะไม่ทําความชั่วพระราชาเนี่ยนะที่ คำความชั่วเหล่านี้ผลมันให้ผลเป็นทิ่ธรรมตกต่ำทันทีก็ ว, ว่าเกิดเป็นจันธ์านทันทีไม่รู้จักความดีความชั่วแต่ทั้งน้นนี้ถ้าเราสังเกตดูว่าพระราชาที่ชีวิตตกต่ำขนาดนี้ก็เกิดจากเอาคนชั่วเป็นอาจารย์เอาคนชั่วเป็นเป็นที่พึ่งเป็นที่บอกเอาคนชั่วเป็นที่แนะนำก็พร้อยไปทาชั่ว ลำดับนั้นราชาบริษัทชาวนะครชาวชนบทแม้ทั้งหมดก็ประชุมกันอภิเษกพระโพธิสัตว์เอาไว้ในราชาสมบัติพระโพธิสัตว์ก็เสวยพระราชาสมบัติโดยธรรมเป็นพระราชาที่ปกครองโดยธรรมพระองค์ในทรงระลึกถึงความพินาศ ท, ที่เกิดขึ้นแก่พระองค์และแก่มหาชนทบทวนชีวิตถึงขาดตอนนั้นนะนะเฉียดเชีว ต, ต่อความตายเหลือเกิน เกือบแล้วเชียวเนี่ยนะอาศัยว่ามเหสีตั้งสัจจะาที่ฐานให้ถ้าไม่มีคนที่คอยมาตั้งสัต จ, จะาที่ฐานให้บัดนี้ชีวิตพินาศแน่เหมือนกับหลายคนที่ป่วยเกือบตายเนี่ยนะดีเขาพาส่งโรงพยาบาลถ้าไม่ส่งอาตายแน่ฉันใดก็ดีนี่ก็เหมือนการอาศัยว่าได้มเหสีผู้เป็นบัณฑิตก็ช่วยปกปักคุ้มครองให้ชีวิตหลุดพ้นจากความตาย คิดว่าที่จริงเราจะตายก็เพราะเหตุไม่สมควรเลยเนี่ยนะสาเหตุทั้งหมดเนี่ยก็เกิดจากคนชั่วเพียงคนเดียวพระองค์ก็เกิดความสังเวชมีความอุตสาหะในการบำเพ็ญบุญให้ยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมเนี่ยนะมันคนชั่วได้เหตุ อ, อันสมควรก็น้อมไปเพื่อจะทำชั่วคนดีทั้งหลายถ้าได้เหตุปัจจัยอันสมควรก็น้อมไปเพื่อจะทำความดี พระองค์ก็เลยทำความดีด้วยการบริจาคมหาทานให้ทานหนักประเดิมรักษาศีลอย่างเคร่งครัด ส, สมท า, านอุโบสถกรรมพระองค์งกร่าว่าในการนั้นเราพ้นจากการบูชายันแล้วออกไปจากที่บวงสรวงนั้นยังความสังเวชให้เกิดขึ้นแล้วบริจาคมหาทานคำว่าสังเวชสังเวชคืออะไรสังเวชคือให้เกิดความสังเวชอย่างยิ่งว่าเราเนี่ยอาศัยอยู่ในโลกที่มีอันตรายมาก โลกนี้มันเต็มไปด้วยอันตรายอันตรายแห่งชีวิตไม่มีอะไรรับรองอันตรายแห่งทรัพย์สินก็ไม่มีอะไรรับรองมันเต็มไปด้วยอันตรายจริงๆอันตรายแห่งชีวิตทรัพย์ทรัพย์สินเป็นต้นเมื่ออันตรายเต็มอย่างนี้แล้วเราควรจะหาที่พึ่งให้แก่แก่ตนซะก่อนก่อนที่อันตรายเหล่านี้จะหมดไปเออก่อนที่อันตรายเหล่านี้จะเกิดขึ้นพระองค์ก็เลยมหาทานังประวัตยิงบริจาคมหาทานสร้างโรงทานหกแห่งแล้วบริจาคมหาทาน ทานของพระองค์เนี่ยเหมือนกับทานของพระเวสสันดรให้จริงๆเลยนะด้วยการบริจาคทรัพเป็นอันมากที่จริงเนี่ยทานของพระองค์เนี่ยเคยให้แล้วตั้งแต่ก่อนก่อนอภิเศกเป็นกษัตริย์แต่พออภิเศกเป็นกษัตริย์ปกครองบ้านเมืองให้หนักกว่าเดิมบทว่าทักคินายะอัะทตวานะถ้าหากว่าเราไม่บริจาคไยะธรรมในทักคินายะบุคคลแล้ว อภิชับปัญจารติโยรปรงแสดงว่าทุกครั้งเราไม่บริโภคของดื่มของเคี้ยวและของบริโภคหราตรีหรือหราตรีถ้าไม่ให้ไม่ยอมกินเด็ดขาดว่างั้นสังเวชใจมากว่างั้นได้ยินว่าในครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ทรงกระทาชมภูทวีปทั้งสิ้นให้เจริญงอกงามบริจาคมหาฐานดุด ฝ, ฝนตกหาใหญ่นะถรว่าให้จริงๆเลยนะ พระโพ ธ, ธิสัตว์ทรงบริจาคมหาทานมากมายของที่ให้ก็เป็นของที่ประนีตทั้งนั้นเป็นของที่ดีๆนะไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นนา้าเป็นต้นในโรงทานที่พระองค์ได้ให้แก่ผู้ขอทั้งหลายตามความพอพระทัยทุกๆวันถึงจะให้ทุกๆวันอย่างนั้นก็จริงถึงอย่างนั้นพระโพ ธ, ธิสัตว์ก็ไม่ทรงบริจาคแก่ผู้ขอทั้งหลาย ถ้าหากว่าพระองค์ไม่ได้บริจาคพระองค์ก็จะไม่สวยพระกยาหารที่เตรียมเอาไว้สําหรับพระองค์แม้พระกยาหารจะสมควรแก่พระราชานั้นถ้าหากว่าไม่ได้ให้ก่อนไม่ทานไม่ชันไม่บริโภคไม่สวยทั้งนั้นเพราะเห็นโทษแล้วเกินว่ารู้แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะชีวิตมันเป็นอย่างนี้แหละบอกว่าเปรียบเหมือนอย่างว่าที่พระองค์จะให้ทานมากอย่างนี้เหมือนอะไร คมก็เปรียบเทียบให้เห็นว่าเปรียบเหมือนพ่อค้าอธิบายว่าเปรียบเหมือนพ่อค้านี่นะไปทำการค้ามีสินค้าน้อยแต่ขายได้มากจึงจะสะสมสินค้ามากเอาเอาไว้ก่อนเมื่อรู้จากเทศกาลในเทศกาลใดจะทำกําไรมากก็นำสินค้านั้นไปขายในเทศกาลอันนั้นเพราะว่าพ่อค้าผู้ฉลาดเขารู้เวลาค้าขายจึงจะเป็นเหตุให้ได้ทรัพย์สมบัติฉันใด เหมือนอีกในหนึ่งบอกว่าเหมือนสินค้าที่พ่อค้าจะซื้อจะไม่ขายในที่นั้นทันทีไม่ใช่ซื้อเสร็จแล้วขายเลยแต่จะรอขายในเทศการจึงจะได้กำไรมากมีกำไรไพ่บู์ฉันใดของของตนก็ฉันนั้นถ้าหากว่าตนเองยังไม่บริโภคให้บุคคลผู้รับก่อนจึงจะมีผลมากจะมีส่วนหลายร้อยคือจะมีอ น, นิสงส์เป็นร้อยร้อ ย, อยเท่า แลก็รู้ว่าของที่เราจะบริโภคถ้าเราสามารถให้ของที่จะบริโภคได้ของอันนี้นี่แหละจะมีกําไรมากบุญที่เกิดจากตัดใจให้แบบอย่างนี้ได้จะมีกําไรมหาศาลมีกําไรเป็นหลายร้อยเท่ากันพระองค์เนี่ยจะไม่บริโภคก่อนควรที่จะให้ผู้อื่นก่อนหมายความว่าถ้าไม่ให้จะไม่บริโภค พันการให้เนี่ยนะมีผลมากมีอนิสงฆ์มากอย่างยกตัวอย่างว่าให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานก็ให้ผลหลายร้อยเท่าแล้วอย่างที่บอกว่าให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานทักษินาเนี่ยนะเป็นร้อยเท่าให้แก่ผู้ทูตศีลเป็นพันเท่าให้แก่คนผู้ปุถุชนผู้มีศีลนอกศาสนาก็มีผลเป็นแสนเท่าเนี่ยนะถ้าให้แก่ผู้ได้ฌานนอกศาสนาก็มีผลเป็นแสนโกดเท่าถ้าให้ผลแกผู้ให้ทานแก่ ผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันมีผลหาประมาณไม่ได้ฟันใครที่รู้ผลแห่งการให้ทานอย่างนี้นะโปรงตัดว่าดูก่อนพิสูน์ทั้งหลายถ้าหากว่าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งการบริจาคทานเหมือนอย่างที่เรารู้ถ้าหากว่าเขาไม่ให้ก่อนแล้วจะไม่บริโภคเลยถ้ารู้อั น, นิสงส์นะแต่ที่เราไม่รูเ้เพราะไม่รู้นี่แหละจึงกินก่อนเหลือเท่าไหร่แล้วค่อยให้ ดีไม่ดีไม่ให้เลยนะเก็บซะเสียหมดเลยเก็บแล้วเสียบางทีก็เอาของเน่าๆไปแจกเขาอย่างเงี้ยนะเพราะว่าไม่รู้อา น, นิสงส์งแห่งการให้ผู้ที่รู้อา น, นิสงส์งแห่งการให้ถ้ารู้เท่ากับพระพุทธเจ้าถ้าไม่ให้ก่อนจะไม่บริโภคนะก็จริงอะนะเหมือนอย่างว่าถ้าผู้ใดรู้ว่าลอตเตอรี่ใบนี้ออกแน่นอนเนี่ยนะจะเขาบอกว่าค่าอาหารมีอยู่เท่ากับค่าลอตเตอรี่ จะยอมอดก่อนแล้วซื้อลอตเตอรี่หรือว่าขออิ่มก่อนนะลอตเตอรี่ไม่ถูกก็ช่างมันอ่าไหนก่อนโดยมากก็ยอมยอมอดก่อนฉันใดผู้ที่รู้ผลแห่งการให้ทานก็เหมือนกันฉันนั้นสามารถที่จะสลัดได้ลอตเตอรี่เนี่ยนะถูกแล้วมันก็ไม่ได้เป็นของว่าดีจริงอะไรแต่ว่าการให้ทานถ้าผู้ใดมีปัญญาเหมือนพระพุทธเจ้าเขาจะกำจัดมนทินคือความตรนี แล้วก็ไม่ยอมให้ความตนีมีอำนาจท่วมทับจิตใจสามารถที่จะสละก้อนข้าวนะสละคำข้าวให้ก่อนพันถ้าหากว่ายังไม่ได้ให้จะไม่ยอมบริโภคบทว่าเอตมัทธวสังยตตวา ร, ารู้เอาอำนาจประโยชน์นี้คือรู้อำนาจประโยชน์เรารู้เหตุความที่ทานมีผลมากการให้ทานมีผลมากให้แกสัตว์เดรฉาน ก็เมียนิสง์เป็นร้อยเท่าให้แก่ผู้ทุศีลเมียนิสง์เป็นพันเท่าให้กับคนมีศีลเมียนิสง์เป็นแสนเท่าให้แก่ผู้ได้ฌานนอกาศาสนายังเมียนิสง์เป็นแสนโกดเท่าเดี๋ยนะถ้าหากว่าให้แก่ผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันเป็นต้นมีผลหาประมาณไม่ได้ก็เพราะเรารู้ว่าการให้ทานมีประโยชน์มากอย่างนี้ขณะเดียวกันทานยังเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่สัมมาสัมโพธิญาณ ผลแห่งทางก็มีผลแต่เป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานด้วยบทว่าณปฏิกกรร ม, มิท่านอาานโตเราไม่ท้อถอยจากการให้เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราจะเบื่อหน่ายในการให้ทำไมเราจึงมีจิตใจที่ไม่ถอยกลับไม่หลีกเลี่ยงจากฐานะบารมีแม้แต่น้อยถามว่าให้เพื่ออะไรให้เพื่อบรรุสัมโพธิญาณอธิบายว่า เพื่อบรรลุสัมโพธิญาณคือพระสัพพัญยุตยานเราจึงให้ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์แม้ถูกมหาชนขับไล่พระบิดาไปอยู่บ้านคนจันทานพระองค์ก็ยังพระราชทานสเสบียงที่สมควรให้แล้วก็ให้พระนุ่งผ้าหม่มนะถึงพ่อจะเป็นจันทานพ่อก็คือพ่อวันยังคําก็ยังไปเลี้ยงพ่อแม้พระบิดานั้นก็ไม่ได้เข้าพระนคร เมื่อพระโพธิสัตว์ไปนอกพระนครเพื่อทอดพระเนตรอุทยานพระบิดาไม่ไหายไม่ทําอัญชลีกรรมด้วยเห็นว่าเป็นบุตรแต่ก็กล่าวว่าขอให้ลูกจงมีอายุยืนนานอ่ะ น, นะพ่อก็ยังเป็นพ่อนะลูกได้ดีก้มุ้งทีตาไปกับลูกอ น, นะอวยชัยให้พรให้ลูกมีความสุขมีอายุยืนพระโพธิสัตว์แม้ในที่เห็นพระบิดาพระองค์ก็กระทําสัมมาณะเป็นอย่างยิ่งคือเคารพ บ, บูชา พ่อพระองค์ก็ครองราชสมบัติโดยทําอย่างนี้เมื่อสวรรคตพระองค์ก็เสด็จสู่เทวโลกพร้อมด้วยบริสัทธ์โรหิตชั่วร้ายคนนั้นก็คือพระเทวทัตในครั้งนี้นะนคนชั่วก็แหมมันน้อมไปจะชั่วถ้าใครชั่วสักอย่างหนึ่งบอกเคยชั่วมาแลว้วนนพระนางโคตมีเทวีในครั้งนั้นก็คือพระนางมหามาย า, านะนะ พระนางจัมทาราชัทิดาก็คือมารดาพระราหุลพระวาสุระก็คือพระราหุลพนางเสลาก็คือนางอุบลวรรณ า, าพระสุระก็คือพระมาหากัะสปะพระพัฒเสนะก็คือพระมหาโมคลานะสุริยากุมารก็คือพระสารีบุตรพระเจ้าจันทราชก็คือพระโลกก น, นาฏเนี่ยนะบุคคลเหล่านี้ก็มีการเกี่ยวข้องกันมีการทําบุญร่วมกันคู่จองเวรก็จองเวร ก, กันมา ก็อย่างว่าพระเทวทัตเนี่ยผูกเวรกับพระโพธิสัตว์มานานแล้วผูกเวรไว้เพราะเหตุแห่งกองคำถาดเดียวเนี่ยนะในในชาดกที่อะไรนะชาดกอะไรนะก็บอกว่าถ้าท่านพลาดจากสัมมัตตนิยามในศาสนานี้ท่านก็จบเหมือนอะไรเหมือนพ่อค้าที่ชื่อว่าเสริวะฉะนั้นในเสริวะชาดกนะก็กล่าวถึงพ่อค้า คนนึ่งะนะที่ที่ไปค้าพ่อค้าสองคนเป็นเพื่อนกันไปค้าขายค้าขายก็ไปได้ถาดทองคำไอ้พ่อค้าขี้โกงก็เลยบอกจะกดราคาถาดให้มันเลือนน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้พระโพธิสัตว์ก็แย่งซื้อเอาไปหมดพอค้านี่ก็เสียใจจนก็อักเลือดตายพก่อนจะกระอักเลือดตายก็ตั้งตั้งผูกเวรไว้กับพระโพธิสัตว์นั้นว่าจะตามจองล้างจองผลาญ จนกว่าจะไปข้างหนึ่งกันแหละแต่พระองค์ก็อาศัยในเรื่องนั้นพระองค์ก็เล่าว่าผู้ใดที่พลาดจากศาสนา น, นี้ก็จะเหมือนกับพ่อค้าคนนั้นที่พลาดพลาดจากถาทองราคาเป็นแสนความเป็นคู่เวนก็เว้นกันไปเนี่ยนะของเราทั้งหลายที่ได้ศึกษารู้จักคุณของพระพุทธเจ้าที่พระองค์บำเพ็ญเหตุจนได้ความเป็นพระพุทธเจ้าถ้าเราพลาดจากศรัทธาอันนี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าเราพลาดจากศรัทธามไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าถ้าเราพลาดจากสุตะที่ไม่ได้ฟังคําสอนของพระองค์ถ้าพลาดจากการปฏิบัติตามคําสอนเราจะเสียหายหนักกว่าพ่อค้าคนนั้นเะอีกเนี่ยนะทีนี้พูดถึงคุณงามความดีของพระโพธิสัตว์ที่ได้บําเพ็ญจนได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าคุณงามความดีในชาตินี้มีอะไรบ้างคู่นานุภาพอะนะเช่นว่าพระโพธิสัตว์แม้รู้อยู่ว่า ปุโรหิตเป็นคนชั่วร้ายก็ทรงใช้ดุลพินิษฐ์วินิชไชคดีโดยทำสม่ำเสมอแม้พระองคอนน์อันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งนะรู้นะว่าตัดสินคดีไปครั้งนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ยังเป็นผู้ที่บริสุทธิธรรมพระองค์รู้วิธีบูชายัญของปุโรหิตชั่วร้ายเพื่อพร ะ, ะเพื่อจัประสงค์ปลงพระชนของพระองค์ก็ไม่ได้จิตคิดโกรธเคือง ประหิตรคนนั้นเลยเนี่ยนะไม่ได้มีจิตคิดประทุษร้ายเลยเนี่ยนะพระองค์แม้สามารถจะจับบริษัทของพระองค์ซึ่งเป็นศัตรูของบิดาเมื่อพระบิดาประสงค์จะทําพระองค์ให้เป็นบุรุษสัตว์เลี้ยงแล้วปลงพระชนเสียก็ไม่ได้ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในการลงอาทยาด้วยทรงดํำริว่าการพิโรดด้วยกำหนักไม่สมควรแก่คนเช่นเราคือหมายความว่าตอนที่ตอนที่จะถูกจับเนี่ยนะ ถ้าพราะองค์จะกะบฏก็ได้จริงๆอะ่ะพระองค์มีอำนาจมากกว่าพระราชาด้วยซ้ำไปแต่ก็ไม่กบฏนะไม่ไม่ยอมกบฏกับพ่อแล้วตอนขนาดพ่อสั่งประหารตัวเองไปแล้วแต่พอปลดมาก็ไม่ได้โกรธพ่ออะไรนะก็ไม่ได้คิดสั่งฆ่าพ่อแล้วก็ไม่ไม่ได้ปล่อยให้พ่อตายเพราะอะไรเพราะว่ากรรมหนักไม่สมควรแก่เราอนันตริยกรรมเป็นต้นไม่สมควรแก่เรา เมื่อปุโรหิตถอดดาบออกจากฝักย่างเท้าเข้าไปเพื่อจะตัดศีรษะพระองค์ก็มีจิตแผ่เมตตาไปในพระบิดาของพระองค์เสมอกันในพระอุรสและสัพพะสัตทั้งหลายเมตตาของพระองค์นี่เป็นเป็นอะไรเป็น เ, เรียกว่าสีมะสัมเพทะทำลายเขตแดนหมดเลยไม่มีเขตแดนรักตนรักโอรสรักพระราชบิดารักพระโพธิสัตว์รักสัพพสัตวมีเมตตาเสมอกันไปหมด เมื่อมหาชนพากันฮือเข้าไปหมายจะปลงพระชนพระราชบิดาตนเองก็เข้าไปสวมกอดบิดาให้ชีวิตพระบิดานั้น น, นี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเนี่ยนะที่สละเอาชีวิตไปป้องกันพ่อนนะแม้เมื่อบริจาคมหาทานเช่นกับทานของพระเวสสันดรได้ทุกวันก็ไม่ได้ทรงอิ่มด้วยทานการให้ของที่ให้แก่พระชนกคือเรียกว่าให้พ่อนะเลี้ยงดูพ่อ แม้กระทั่งพ่อตัวเองจะถูกมหาชนขับไล่ไปอยู่ในหมู่บ้านคนชันธานพระโพธิสัตว์ก็ยังเลีย้ยงดูบิดามันการและขณะเดียวกันพระองค์ก็ยังให้มหาชนตั้งอยู่ในการทำบุญเนี่ยนะพระองค์ก็ไม่ประมาทนะพระองค์ทำบุญเองชักจูงผู้อื่นให้เกิดการทำบุญพระองค์ให้ทานเองก็แนะนำให้ผู้อื่นให้ทานเนี่ยนะพระองค์ก็เป็นผู้ที่เป็นบัณฑิตพระองค์เป็นผู้ที่รู้จักประโยชน์โลกนี้รู้จักประโยชน์โลกหน้า รู้จักอะไรที่สมควรนั้นก็แนะนำให้ผู้อื่นกระทาไปด้วยคุณงามความดีเหล่านี้นี่แหละที่พระองค์บำเพ็ญพระองค์จึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า